สาธารณชน บ, บริษัททั้งหลายสําหรับตอนนี้เป็นตอนนี้หกก็มาคุยกันเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นจากบาปเป็นคือพ้นจากนรกต่อไปขอย้ํำมาในตอนตอน้นว่าการปฏิบัติตนให้พ้นจากนรกนั้นคําว่านรกก็หมายถึงว่าน ร, ก, านรกด้วยเปรตด้วยสุรกายด้วยสัตว์เลี้ยฉันด้วย การปฏิบัติพ้นกันมาึงว่าปฏิบัติพ้นกันทุกชาติไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวถ้าจําเป็นจะต้องเกิดอีกกี่ชาติก็าตามไม่เกิดในอบายภูมิสีแน่ก็ต้องปฏิบัติตามหลักสูตรของพระพุทธเจ้าที่มาในพระไตรปิฎกพระธรรมาเองบวชจากพระไตรปิฎก มีความเลื่อมใสในพระไตรปิฎกก็ต้องปฏิบัติตามพระไตรวิฎกเป็นว่าหลังสูต่ต้องพระเจ้ามีว่าหนึ่งให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายไว้เสมอตาความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่ตายคนส่วนใหญ่แม้แต่อัตมาเองก็เหมือนกันในการก่อนที่ยังไม่แก่ เลยไม่เคยคิดว่าตัวจะแก่ไม่เคยคิดว่าตัวจะตาย <c oughs> เวลานี้แก่มากแล้วก็เลยลืมความตายไม่ได้ทางนี้เพราอเราก็วความตายมันเดินใกล้เข้ามาทุกทีมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายแน่แต่ก็ไม่ลืมนึกว่ามันอาจจะตายวันนี้ก็เสมอ ขบัญดาญาติโยมพทธบริษวสัตว์คิดตามนี้ก็แล้วกันตามที่พระพุทธเจ้าทรัสสอนจะได้ไม่ไปเกิดในาบายภูมิมินรกเป็นต้นโดยการในสองมีความยึดมั่นในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจโดยการในสามรละสัสินห้าให้มม่นคง ไม่ละเ ม, มิดสินห้าตั้งแต่วันนี้ไปจงกว่าจะตาย <c oughs> บาปกรรมทั้งหลายที่ทำมาแล้วทั้งหมดสมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่าคนที่มีกำลังใจยอย่างนี้จะไม่ไปอบายภูมิแน่นอนข้ามันดาทจ้พุทธศาสนิกชน้เปนสสาว่าเขาองสมเด็จปัิิาวรโปรดปฏิบัติตามนี้จะได้พ้นนรกกัน ต่ความจริงเรื่องการพ้นนรกไม่เกิดเป็นนอบายภูมิแน่นอนเนี่นก็ต้องคิดเหมือนกันบางทีคนที่มีกำลังใจถึงขั้นนี้แล้วขย่องแอ บ, บไปใบภูมินิดหนึ่งแต่ไปไม่นานอย่างมากก็ไปแค่เจ็ดวันแต่แอ บ, บอยู่ไม่ให้คนอื่นเห็นเสียงก็ไม่คนอื่นได้ยิน รูร่างก็ไม่คนอื่นเห็นเพราะตัวเล็กๆล็ก ม, มากแอบอยู่นิดๆทั้งนี้ก็เพราะอะไรเพราะมีจิตข้องอยู่ในทรัพย์สมบัตินี่คความจริงบรรดาธรรมพุทธบริษัทการที่เกิดในแด้ายของใบผูมนมันไม่จําเป็นต้องขาดชิ้นห้าเส ม, มอไปหรืว่าไม่จําเป็นต้องรามาสพระไตรสนาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเส ม, มอไป แม้แต่อารมณ์ชั่วบ่มมองนิดเดียวบางทีก็ไม่ถึงกับชั่วอย่างโกตุหิกะในตอนที่ห้าอันนี้เป็นตอนที่หกธรรดา ย, าย่าโยมพุทธบริษัทเกือบจะลืมบอกไปว่าเป็นตอนที่หกในเรื่องโกตุหิกะตอนที่ห้าในความจริงก็มานึกแท่งชังกกระดูกใครทั้งหมด อารมใจดีคิดว่าสุนัขหรือหมาตัวนี้มันดีกว่าเราเกิดเป็นหมาแท้ๆได้กินข้ า, มาวม า, าตุกป่ายาตจิตไปค้องอยู่ในสุนัขตัวนั้นแต่สำหรับตอนนี้หกนี่ไม่ว่าถึงคลวาดแล้วลองมาซ้อนกำลังใจพระเนรเราดูบ้างว่าพระเนรเราที่มีกำลังใจดี มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ปฏิบัติในพระธรรมด้วยนายดีมากสามารถสามารถสรงอารมณ์ในสังโยชน์ฐารใการนี้ได้ค <c oughs> าว่าทรอารมณ์ในสังโยชน์หมายความสามารถหักห้างกำลังใจไม่คิดไปตามสังโยชน์ฐานในการ คัดคานสัโยช ญ, ญ์สัญญาคิดว่าไม่ควรคิดไว่จะตายแต่เราก็พระก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเชื่อมันอ่นในความตายและพยายามทําความดียอมรับนับถือพระพิดาเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็มีธรรมวินัยมีวินัยก็เ ค, คร่งขัดมีสิ่งมีธรรมะก็ดีแต่ได้ว่าจิตไปคล่องอยู่ในทรัพย์สินส่วนใดส่วนหนึ่งเข้า ความจริงการคลองแบบนั้นไม่ถึงก็เป็นอาบัติเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองแล้วก็ยังอยู่ในขอบเขตเขาไมาทำไม่ในตายแล้วเกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กๆมันเป็นไปได้หากว่าบรรดาพระของเราเกิดเป็นคนปากเสียใจเสียมีจตมีร่างมีกายเสียสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์แบบ ม่รมอิจฉาทิสยายคนอื่นไม่เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ิตมุ่งตรงสู่ด้านของความเลวท่านพวกนี้ไม่เกิดเป็นเศรช้างก่อนต้องไปเกิดใน เ, เวจีมหานรกก่อนอย่างมระเทวทัพเป็นต้นตอนนี้ก็มาขอคุยกับบรรดาธรรพุทธศาสนิกชนซึ่งแพระพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าในสมัยของพระองค์เองนี่ความจริงอยู่กับพระพุทธเจ้าแท้ๆเนี่ะเมื่อคนที่อยู่กับพระพุทธเจ้าพระที่บวชกับพระพุทธเจ้าจะนึกว่าดีทุกองแต่ว่าท่านองค์นี้ท่านดีแต่เสียท่าคานิดที่เลวจัดๆอย่างเช่นเทวทัตตะโกการิกาเป็นต้นอันนี้เลวมากอย่าลืมว่าในสมนักใดแตสมัยปัจจุบันก็ตาม คนหน้าสนักเป็นคนดีแสนดีก็จงยนึกว่าคนในสนักนั้นดีทุกคนดีตามไปด้วยดีไม่ดีก็สวยแสนสวยเลวแสนเลวแต่สายพึ่งบนบา ร, รมีของท่านที่เป็นัวหน้ากินอิ่มนอนหลับมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เลยลืมตัวลืมกายเดมตน ไม่ทำตนได้ของความดีลงอาบายภูมิไม่น้อยเลยเวลาปัจจุบันนี้ก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครูบาอาจารย์ทำตัวดีมากแต่ว่าลูกน้องใกล้ชิดกลเป็นคนโรคโมโทสันเวลานี้ท่านป่วยหนักเวลาที่พูดนี่นะก็สงสัยไม่กันสงสัยไม่กันว่าหน้าตัวถ่านจะเปิดลิบ คงไม่เยี่สูงลิบคงต่ำลิบอย่าพูดถึงท่านเลยมาพูดถึงพระองค์นี้ดีกว่าองค์นี้ถ้าไม่เด้เลวอย่างนั้นเรื่องกองทั้งก็มีว่าเร้านี้ชื่อติดสะในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านบวชอยูน่ใ น, นคณะของค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคต่อมาวันหนึ่ง ท่านเห็นเพื่อนก็ห่มจีวรแพรสมัยนี้อาจจะเรียกจีวรแพรก็ได้นะเวลานั้นเรียกว่าผ้าสาดกไอ้ผ้าสาดกจริงๆอัตมา ก, ก็ไม่รู้จักจะบอกลักษณะก็เดาตามตำราท่านบอกไว้ก็เป็นการเดาจะทำได้นั่นบางทำนี่นี่บางเป็นตน้นท่านต้องการผ้าสาดกเนื้อน้อย ไอ้คำว่าเนื้อ น, น้อยกับผ้าบางๆเรื่องจริงๆมีว่าท่านมีจีวรอยู่ตัวหนึ่งนี่ผืนหนึ่งดูรู้สึกว่าจะเป็นผ้าเนื้อหยาบสักหน่อยถ้านเอาไปให้พี่สาวเข้าใจว่าให้พี่สาวยอมพี่สาวทำความสะอาดจันนี้เป็นต้นอาตมาก็จำบารีไม่ค่อยได้จำเนื้อความไม่ค่อยได้ชัด ว่าไปให้พี่สาวเย็บหรือย้อมก็จาไม่ได้แน่รวมความเอาให้พี่สาวจัดการให้ก็แล้วกัน <c oughs> แต่ไม่ได้หวังให้ทำใหม่เป็นแล้พี่สาววิโนภาของน้องพระน้องชายในเนื้อหยาบมากก็ทุบเสื้อใหม่ทำเสื้อใหม่ทุกอย่างให้เป็นผ้าเนื้อละเอียดทอใหม่ทั้งหมดสังจากได้มาทำให้ละเอียดดีแล้ว ก็ยอมเยม็บแล้วยอมเสร็จผู้ง่ายๆก็เป็นผ้ามีราคาสูงเป็นผ้าแพรก็ได้สมัยนี้นะสมัยนี้เทียบกับแพรหรือป่านเสร็จแล้วก็ไปให้พระน้องชายเวลานั้นก็เป็นการพอดีบรรดาแตนพุทธิดาัททั้งหลายพระน้องชายนี่ป่วยมาก ป่ยมากจะไม่สามารถจะคล้อยีวร น, นี้ได้เห็นผ้ายีวรที่พี่สาวนําไปให้ผ้าของท่านเป็นผ้าเนื้อหยาบแต่พี่สาวนํามาให้นี่เป็นผ้าเนื้อละเอียดมีเนื้อดีมากอาศัยกําลังใจที่สะอาดของท่านบรรดาเทพพุทธบริษัทตางไปก็ดูจริยาคือ ก, กําลังใจของท้องท่านด้วย ท่านมีกําลังใจสะอาดมากก็อบอกกับพี่สาวว่าผ้าผืนนี้อรรมารับไม่ได้พี่สาวถามว่าทําไมท่าก็บอกว่าผ้าอรตมาไปให้พี่ไว้มันเป็นผ้าเนื้อหยาบแต่ผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่มีเนื้อดีมากไม่ควร ก, การที่จะรับไวเพราะผิดพระวิ น, นัยผู้บาิสายไทยๆก็ผิดศีลเกรงว่าจะเป็นการขโมยหรือโกงผ้าของบุคคลอืน่น พีสาก็บอกว่าความจริงผ้าผืนนี้จะเป็นผ้าของท่านเมื่อท่านนําผ้าเนื้อหยาไปให้ฉันก็เลยทําทุบเส้ใหม่สางเส้ใหม่เอาได้ออกมากรอกเส้ใหม่ทำใหม่หมดเป็นได้ชิ้นเล็กๆ เ, เ, เนื้อจึงไี้บางสวยแบบนี้เมื่อพีสายบอกตามความเป็นจริงท่านก็ยอมรับเห็นว่าไม่ผิดเพียงไัย ที่สาวไปแล้วท่านก็อยากจะอมจีวรผืนนี้แต่มันอมไม่ไหวก็ป่วยจะลุกไปขึ้นจิตใจก็มีความรู้สึกไม่รักในจีวรแต่ไม่นานนักไม่ทนันได้ออมจิวรท่านก็ถึงแก่ความตายราษัยที่จิตแทนยีเนึกถึงคุณพระรัตนไตรยได้ความจริงวินัยท่านไม่ขาดจะถือว่ามีโทษทำวินัยไม่ได้เลย แต่ว่าจิตใจมันวุ่นวายเกินไปในเรื่องของผ้าเอาใัยที่มีจิตใจห่วงผ้ามากตายแล้วแทนนี่ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทวดาชั้นเทวโลกความจริงบนบารมีของท่านเนี่ยถึงขั้นชั้นดุสิทธิ์ชั้นนี้มีความสําคัญมากตามเท่าที่เกิดการรู้จักกันมาว่าเทวดาชั้นดุสิทธิ์นี่จะต้องเป็นเทวดา จะต้องเป็นคนที่มีบารมีตั้งแต่มีความดีตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอาตมาคิดเอาเองนะคิดเอาเองได้เคยได้ยินใครท่านพูดท่านบอกว่าฉั้นดุสิทธตนี่คนนี้จะเข้าได้ต้องหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีเข้มคนแล้วสองพระพุทธบิดาคือบิดาของพระพุทธเจา้า สองพระพุทธ ม, มารดา <c oughs> และก็สามพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจึงจะมีความสามารถเกิดในสวรรค์ชั้นดวสิทิได้ฟังมาอย่างนี้ผิดหรือถูกก็ไม่ทราบกรวมความว่าพระองค์นี้นะี่ยมีบารมีที่จะสามารถเกิดในชั้นดวสิทธิได้ก็แล้วกันแต่ว่าการตายข้า้งนั้นของท่านเพราะจิตเท่านบวชประวัติถึงกี่วัน แทนที่จะเกิดเป็นเทวดากลับไปเกิดในกลีบของจีวรในกลีบของจีวร น, นี่บรรดาแต่พุทธบริษัทถ้าเกิดเป็นเลนเอเล น, นี่ตัวเล็กมากเรามองในสายตาเราเจีนตาธรรมาอายุตั้งเจ็ดสิบนี่ไม่เห็นแน่บางทีใส่เว้นตาแล้วอาจจะไม่เห็นว่าตัวมันเล็กมากเสียงของเลนร้องตะโกนกันหนาดไหนหูพวกเราก็ไม่ได้ยินแน่ แต่ว่าท่านก็ยังเกิดเป็นยอ่อเอาไปเกิดเป็นเลนนี่ตามพระวิ น, นัยบรรดาแต่พระตบริษัทนั้นหลายถ้าพระตายลงไปแล้วทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ถ้ามีคนที่รับทรัพย์ประดกได้เท่านั้นต้อไปอากาอก่อนตาย <c oughs> ร่วมมอบให้ไปก่อนตายจงจะเป็นสมบัติของคนนั้นได้ ถ้าตายลงไปแล้วโดยไม่มอบให้ใครทรัพย์สมบัติทั้งหมดต้องตกเป็นของสงฆ์ข้อนี้บรรดาแต่พุทธวิสตร์ตหลายฟังแล้วก็บรดจําไปด้วยว่าตมาเองเคยมีหน้าที่จัดทรัพย์สินของสงฆ์อยู่หลายครั้งที่พระที่ตายแล้วลายกดว่ามีคนบางคนม้างบอกว่าฉันเป็นบุตรเป็นลูกบนธรรมบ้าง เป็นพี่บ้างเป็นน้องบ้างเป็นหลานบ้างเป็นคนนั้นบ้างเป็นคนนี้บ้างแล้วทรัพย์สมบัตสนนิส่วนนั้นส่วนนี้ท่านยกให้ฉันเป็นสม บ, บัติของฉันเคยมีมาแล้วในการก่อนฉะนั้นกรรมการจะทำยังไงก็ต้องประชุมสงให้สงลงมติว่าสงเห็นมีความสมควรยังไงก็ต้องปฏิบัติตามนั้นแลวก็ได้แนะนำให้ท่านรธนานสตร์ ก็เรื่องนี้แย่ธรรมามอบอรตมานะมอบไปได้เพราะมันผิดวินัยยังไงยังไงก็ไม่มอบให้แน่แต่ว่าถ้าจะเอาให้ได้ก็หยิบเอาไปเองก็แล้วกันอาธมาจะไม่โจุดไปฟ้องท่านมาเป็นขโมยขโมยของสองแต่ว่าให้บอกว่าให้เนี่ยบอกไม่ได้แนะ่พก็ถ้าบอกว่าให้ก็ถือว่าขโมยของสองไปให้ชาวบ้าน เพื่อการมอบหมายเสื่มอมการตามมิหนหยต้องทำอย่างนี้ต้องมอบให้กันก่อนให้ก่อนตายอธิบายฟังแล้วเราก็ไม่หวงแต่เนื้อแท้จริงๆในที่สุดท่านหลายแล้วนั้นก็ไม่ยอมรับเอาไปอบอกว่าถวายสองข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่มีความสาคัญมากบันดาเตพุธบริษัทการนำของสงไปเป็นทรัพย์ส่วนตัวนั้นต้องระวัง แม้แต่เศษกระเบื Delta, ige, ้องแตกๆเล็กๆชิ้นเดียวเนื้อดอกไม้ดอกเล็กๆชิ้นเดียวใบไม้ที่ไร้ค่าจริงๆแล้วใบเดียวท่านนำไปโดยที่สงไม่ดอนุญาตก็ถือว่าเป็นการขโมยของสงผลที่ยาพึงได้รับก็คืออเวจีมานรกข้อนี้ใครจะเถียงไหม ท่านจะเถียงก็เถียงในเมื่อเทพไปอยู่ที่ท่านเถียงอตาตมาก็ไม่ได้ยินถ้าเขินได้ยินเธอเธอได้ยินก็ไม่เถียงไม่ตอบท่านพอได้เขินโตต่อก็ท่านดีไ ม, ม่ดีอาตมจิจจตใจอาตมาเศร้าหมองพอการโต้ต่อก็พวกท่านที่ละเมิดพระธรรมวิ น, นัยกำลังใจเกิดเศร้าหมองขึ้นมาอาจจะต้องไปอยู่ในนรกเสียเองก็ได้ไม่เอาแล้ว บอกให้กันฟังจะได้บขเวนดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัททุกคนถ้าเป็นลกูกเป็นหลานพระเป็นญาติของพระเป็นผู้ที่รับมาดกจากพระได้เมื่อพระตายแล้วบอกให้พระที่มีส่วนสังขัญของท่านมอบเสียก่อนตายถ้ายังไม่สามารถจะยกให้ไปได้ให้ทาวินัยกรรมแล้วมีคราวว่าจะมีพระเป็นพยาน ว่าของส่วนนี้เมื่อท่านตายไปแล้วเป็นสมบัติที่บุคคลนั้นจะเป็นได้คนนี้จะเป็นได้โดยข้อ น, นี้ก็ขอเตือนบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายพูดสำหรับญาโยมก่อนนะถ้าไม่ทำอย่างนั้นถ้าพระตายไปก่อนแล้วท่านนำมาไปบ้านของท่านอย่าลืมว่าโทษลักของสงฆ์เป็นของไม่เล็กเลย ความจริงเราได้มาเราก็ตายเราไม่ได้มาเราก็ตายทางที่ดีก็ควรจะตายแบบสุเพลีกว่าไปอยู่ในแดนที่มีความสุขดีกว่าก็นำของสงไปอย่างน้อยถ้าลงอเวจีแน่นอนไม่มีทางพ้นแต่มาคิดว่าไม่เอาซะเลยดีกว่าอันนี้ของที่เยเพื่รับได้ก็ต้องดู ของที่ท่านพระท่านให้เป็นทรัพย์สินมาจากอะไรเป็นทรัพย์สินตั้งเดิมจากเคราวาสหรือว่าเขาถวายมาสมัยเป็นพระถ้าเป็นทรัพย์สินที่มีญาติโยมพุทธบริษัทที่มีศรัทธาถวายมาในระหว่างเป็นพระอย่ารับเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าของที่เขาถวายมานั้ น, นระหว่างเป็นพระแล้วเจะถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระองค์นั้นได้ แต่ว่าทรัพย์สินนั่นหลายเหล่านั้นจะโอนให้ญาติไม่ได้แน่นอนที่ก็เรียกว่าเงินหึกของสาทุคําว่าสาทุคือท่านผู้ให้ให้ดีดีแล้วให้ด้วยเจตนาที่ท่านผู้รับเป็นพระหากว่าท่านนั้นหลายที่ไม่ใช่พระไปรับมรดกอย่างนี้ยังไงๆก็ไม่พ้นการตกไม่พ้นการตนนกรตนรกติงกันและเมิทดทําลายศรัทธาก็บรรด่าทำพุทธวิสัช ถึพระพุทธเจา้าทรงปรับโทษหนักมากต่อไปนี้ก็ขอเลี้ยวถึงพระอีกสักหน่อยเรื่องนี้สั้นมากมันได้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันหากว่าท่านจะมอบอะไรให้กระญาติโยมของท่านก็ต้องดูท่านนาที่ดินก็ดีบ้านก็ดีเงินทองก็ดีส่วนนั้นถ้ามันได้มาจากในสมัยที่เป็นข่าวาดัด ถ้าหมายความยังไม่หมดเป็นทรัพย์สมบัติที่เราหามมาได้เป็นส่วนตัวแล้วก็เวลาบวแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ได้ใช้ยังไม่หมดหรือว่าบางทีไปฝ่าธนาคานไว้ป่าธนาคายเงินมันก็งอกดอกเบีย้ยมันมีแต่ก็ต้องเป็นดอกเบีย้ยก้อนเงินส่วนนั้นทรัพย์สม บ, บัติส่วนนี้ท่านสามารถจะโอนให้ญาติท่านใด ก็ไปทรัพย์สินส่วนตัวแต่ว่าเป็นทรัพย์ที่ท่านได้มาด้วยจากการถวายขบันดาแทนพระทุกขิษัทสมัยที่เป็นท่านแล้วไอ้อย่างนี้อย่าเข้าไปแตะต้องคิดว่าเป็สนส่วนตัดเดวโดยเฉพาะให้ถือว่าท่านผู้ถวายถวายพอระราเป็นพระทรัพย์สมบัติส่วนนั้นเหมาะในการเป็นพระเท่านั้นที่ใช้แต่ท่านเขือนโอนเนื้อขบรรดา ญ, ญาโยของท่านไป ท่านเองจะต้องลงอเวจีมานรก บ, บางท่านอาจจะขัน้นอะไรก็อเวจีอะไรก็เวจีเวลานี้ก็เป็นขอไม่ยากเราสามารถพิสูจน์กันได้ว่าพระที่ตายไปแล้วแล้วก็จับใจใช้สอยทรัพย์ประเภทนี้ไปไหนกันมิยุบเรือนในเวจีมานรกตอนนี้ไปก็พูดถึงเรื่องพระติดสาบก็รเรื่องสัน้น ไปนำเรื่องอื่นมาประสานระสานให้พอกับเวลาสำหรับพระติสระนั่นเมื่อท่านตายจากความเป็นคนอาศัยจิตใจที่รักอยู่บนความจริงศีลสมาธิของท่านดีต้องถือว่าดีมากจะถือว่าเป็นมรรสดา บ, บันได้และไม่ได้ก็ไม่ทราบเพราะพ้นจากควา ม, มเป็นเลนแล้วจะไปเกิ ด, ดวิญญาณดาชันดุสิ กความก็ทั้งมีความระอายต่อบาปด้วยเอาผ้าจีวรหยาบไปให้ไปให้พี่สาวจัดการพี่สาวทำเป็นผ้าเนื้อละเอียดมาให้ท่านยบอกว่ารับไม่ได้เพราะผ้าผืนนี้ไม่ใช่ของท่านผ้าของท่านเป็นผ้าเนื้อหยาบคงจะให้พี่สาวเย็บตัดเป็นจีวรกันมั้งพี่สาวก็บอกว่าเป็นผ้าผืนเดิม ถ้าไปสระไปล้างเสื้อใหม่ครอเสื้อใหม่ไปผ้านเนื้อนิ่มเป็นได้เล็กๆทําให้ผ้าเป็นผ้านเนื้อละเอียดน่ารักท่านอยอมรับนี่จิตทัศนสะอาดขนาดนี้ก็ <c oughs> ลองความว่าทำผ้าติสรตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเลนเอาร่างกายเล็กๆเป็นสิงอยู่ในกลีบของจีวรเมื่อพระสงฆ์ตายบอกมาแล้วว่าทรัพย์ทั้งหลายต้องเป็นของสง อันดาพระท่านหลายก็ไปจัดการว่าทรัพย์สมบัติของพระติดสะเวลานี้มีอะไรบ้างก็หยิบต้นหยิบนี่หยิบนั่นตามที่มีอยู่คงมีไม่มากก็อยู่กับสมเด็จพระพูทมีรพระผ้าเจ้าก็ไม่แน่นักนะเพราะมหาเศรษฐีทั้งหลายมีความเคารพอย่างพระอนนนิมีผ้าสาดกเป็นพันพันผืน แต่ถ้านุนท่าก็เป็นพ้าแท้ไปที่ไหนท่านก็แจกที่ไหนใครไม่มีท่านก็แจกอเห็นพ้าอะไรไม่มีไม่ไม่มีพระผมไม่พระผมไม่ดีเก่าเกินไปท่านก็แจกแต่การทาบุญก็ท่านด้วยไปไม่แปลกอย่างท่านพระติสาเนี่อาจจะมีเกีวรมากก็ได้เพราะว่าธรามาาสถีบ้านญาติโย่ทั้งหลายบ้างมาถวายกันอาจจะมีเยอะยิงมีการตัวคนทรัพย์สมบัติเกิดมา อีกอย่างอื่นไม่มีเรื่องพอไปจับจีวรก็ น, นั่นเข้าเล่นติดสะร้องต่โกนเสียงดังว่าไอ้โจรปล้นจีวรนะโจรปล้นจีวรแต่ก็เป็นการบังเอิญจริงๆพระที่ไปนั้นไม่มีพระหูทิ์เลยฟังแบบสบายไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินพระพุทธเจา้าอยู่ในเพื่อคันโท ด, ยดียี่ได้ยินเสียงเลนตะโกนแบบนั้นก็บอกพระอ น, นุน ตัวอนันทาดูกาอนนรีบไปที่คูติธรรมิตสระเนน้บอกพระทั้งหลายบอกว่าจีวรผืนั้นให้วางไม่ก่อนอย่าแตะต้องจากนี้ไปเจ็ดวันจะแตะเด็ขดขาดวันที่แปดจึงแตะต้องได้พระนนก็ไปบอกแบบท่านที่หลังกลับมาถามองค์ดระประสง์ท่านว่าเป็นเพราะอะไร โอเจ้าก็สมทัดว่าก็เล่นติดสารที่คุณก่อนที่เธอจะตายและเธอห่วงจีวรผืนนี้เธอมีความรักในยีบอลผืนนี้มากเพราะเนื้อมันดีมากดีกว่าทุกผืนที่เธอมีอยู่เธอตั้งใจจะคลองจะใช้ผ้าผืนนี้มีอยู่แต่ว่าโอกาสไม่มีเธอมาตายเช่นก่อนก่อนจะตายจิตใจก็นึกถึงยีบอ เธอก็ต้องเกิดเป็นเลนเฝ้าอยู่วัอยู่เจ็ดวันก็เลนมีอายุแค่เจ็ดวันหลังจากนั้นวันที่แปดเลนตัวนี้จะตายคือไม่ต้องไครทําให้ตายอยายุไขของเขาแค่นั้นเขามีอยายุไขแค่เจ็ดวันมันก็อยุงยูงนี่ถ้าไม่มีใครฆ่าถ้าเธออยู่เต็มอายุเธอก็อยู่ได้แค่เจ็ดวันมันก็เลน ถึงจ็ดว ja ันรล้ล่นัวนั้นจะตายตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบางเทวดาบรนสวรรค์ฉันดุสิตนี่ระบรรดาญาโยเขาต้องไปัตทั้งหลายถึงแม้ว่าท่านนั้นหลายจะมีความรู้สึกรือถึงความตายเป็นปกติแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตมีจิตเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆแล้วก็มีศีลบริสุทธิ์บางท่านหหลายท่าน อาจจะคิดว่าถ้าเราตายเท่านี้ขอไปนิพพานจุดเดียวความจริงอารมณ์อย่างนี้ดีมากที่พระผู้มีพระเ จ, จา้าทรงตัดว่าบุคคนประเภทนี้พ้นอบายภูมิแน่นอนถ้าจำเป็นที่เกิดในมนุษย์อีกกี่ชาติก็ตามทีขึ้นเชื่ออบายภูมินั่งสีร่รายการไม่สามารถจะตีต้องแต่ต้องทันใดอบายภูมิสี่คือนรกเปรอสุรกายสติสัจฉน แต่ก็จงย่าลืมว่ากำลังใจของท่านต้องมีความมั่นคงจริงๆอย่าไปหลงไหลฝ่ายฝันก็สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เกินไปอย่างพระติดสาเป็นต้นให้คิดเรงความจริงของคนว่าถ้าตายไปแล้วน่ะไม่มีโอกาสที่ครองทรัพย์สมบัติใดๆได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยไปไว้ตายแล้กวกันเลิกกันถ้าจิตใจของท่านเป็นอย่างนี้นั่นอารมณ์จิตก็จะพ่องใ้ เรื่องการที่บรรดาเต็มพุทธบริษัททหลายจะทรงกําลังใจไว้สมาธิและปัญญาในส่วนดีมีอนุูสติเป็นประจำใจจนเป็นฌานจงเป็นของดีมากซึ่งทั้งเด็กก็ผู้มีพระภาคสอนและไว้เพื่อไม่หลงไปในอบยภูนต่อไปอบรรดาเต็มพุทธบริษัททหลายวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายเวลาบอกเวลาบอกบอก็หมดเ ว, ล า, วลาแล้วประกาศแล้ว ไปลองกิ้งกิ้งไปเป็นของตั้งเวลาพอหมดเวลาสามสิบนาทียังขอลากร อ, อความสงสวัรพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี